สาธุชนบุตบารีสัตวทั้งหลายและก็บรรดาเพื่อนพิบิสุสมณีทั้งหลา ย, ล ว, านนลายวันนี้เราก็มาในการปฏิบัติเพื่อมรักผลกันต่อไป <c oughs> การปฏิบัติจริงๆเราต้องหวังพระนิพพานใครขยจบบ้าว่าบ้าวันหลังก็ช่างเาอาเถอะ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 ถ้าบวแล้วทำสภาพเสื่อมก็จะต้องอยู่ที่นี่ไม่ได้อคนเร็วๆไรสัจจะไรบารมีเขาไม่ครบกันสำหรับสังโยชนิสิทริการให้ประจำใจคิดไว้เสมอว่าเราจะละให้ได้หนึ่งส ก, กายทิฐิใช้ปัญญาเบาๆอย่างวาโสดาบันและก็เศราคามี คิดว่าสภาพขอร่างกายนี้มันจะต้องตายมันอยู่ไม่นานเท่าไรมันก็ต้องตายกันแน่ถ้าใช้กำลังสูงไปนิดถ้ากำลังของพระอนาคามีเห็นร่างกายนี้เต็ไมได้วยความสุขโผกโสโครกมีสภาพไม่ต่างกับถุงไท่ที่ห่าจาระเดินไป แต่าะนั่นมองตามความจริงว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสุขภพุกถ้ามองตามกําลังใจของพระอรหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายนี้สักเตเพียงว่าธาตุสี่มาประชุมกันมันเป็นธาตุที่อาศัยชั่วคราว ไม่เช่ามันก็นเราก็จากการถ้าคบมันมากเพียงใดเราก็มีทุกข์มากเพียงนั้นถ้าเราจิตใจไม่เข้าไปสนใจกับร่างกายใจเราก็มีความสุขนี่เรื่องข้อสักกยระทิฏฐิต้องคิดอย่างนี้ทุกวันนะแล้วก็เบริการในสองวิจิตรฉาความสงสัยในคนพระละเจียติ ต, ยต้องไม่มีก็เ ร, เรามีปัญญา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 คารวาสสินห้าสันมนเนนสินสิบเดลโบบาสิกาจะเป็นสินห้าก็ได้สินแปก็ได้พระสินสองรอยยีิบเดครบรับพิสมาจาร์ต้องครบทวนบริบูรณ์ไม่ใช่ว่าศัก์ไปว่าเป็นพระเฉยๆก่อนบท ด, ดีเข้ามาพูดดีบทแล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 ในสถานที่เขาจะมีให้ยังมีเยอะผู้ที่ ร, รับรองคนประเภทเลวๆนี่มีเยอะที่นี่ไม่ต้องการคนเลวเยะฉะนั้นคุณทำสามรายการคือสกายธิฐิวิจิกิจฉาสิระบตาปรมาตที่ต้องละต้องทำให้ได้แล้วข้อต่อไปที่เราจะยังทำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไร ค่อยทำไปอาจจะถึงก็สองก็ห้สี่ด้วยกับกามาฉันทะค่อยค่อยใช้กายกิกวตานุ่ปิติกาสุปรกรรมฐานเข้าไปตัดเห็นว่าร่างพรใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเต็มด้วยความสุขปกโสโครกแล้วก็ไม่มีการทรงตัวไม่มีอะไรมากแค่น้ำลายในปากอมได้้วนมาแต่ต้องไม่ได้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 โดยความกระทบกรกะทั่งใดๆนิดหน่อยเกิดขึ้นก็ไม่ชอบใจอย่างน้อยไม่ชอบใจอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของสัตว์ในอบายภูมิมันนีะเข้าไปสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ไม่ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีทุกข์มีได้ความเล่าร้อนตายไปแล้วก็พกกับความเล่าร้อนนั่นคืออบายภูมิเราไม่เอา ตัดด้วยกำลังของพรมีหารสีแล้วก็ตัดถ้าพรมีหารสีไม่พอใจก็ตัก็ได้กำลังของกสิณสีคือกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนที่ฟังได้มโนมยิธิอยู่แล้วนี่มันเป็นของไม่แปลก ใช้กำลังเขามาโนยิทธิใช้กำลังเขปุกเพนีวาสานุปติยานถอยหลังใช้ก็ไปแต่ละชาติวันเราเคยตกมารกเพราะความโกรธมีกี่ครั้งดูตัวเราให้ดีเราตกมารกเพราะความโกรธมันมีเท่าไหร่ไปดูแลเสวยผลไปยังไง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 มันก็ไม่มีการทรงตัวจะพบกับความสกปรกที่มันหลังเหลวมาทุกวันถอยหลังก็ไปจําสภาพแต่ละชาติละชาติที่มันเร็วๆมันก็เร็วทุกชาติไม่มีร่างกายชาติไหนไม่นเป็นร่างกายดีมันเป็นร่างกายเร็วเท่านี้จิตมันก็จะถอยหลังแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ไปมองดูรูปราคะคือรูปฌาน อรมณราคะเกล้อรูปฌานถ้าตัดสกาญาติกับกขอโทษถ้าตัดกรรมชันใต้กับปฏิฆาได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีเราจะถึงแร้วไม่ถึงเราก็พยายามแต่ค่อยๆคิดค่อยๆนีิ่งค่อยๆพิจารณาหลังจากนั้นถ้ทําได้มั่นคงจะลืมนะพระอนาคามีนิบรรดาเป็นพุทธบริษัทที่เป็นขันทราวัตร อารมณ์ใจจะต้องสิงห์แปดเป็นนิดคือไม่ต้องมีใครบังคับราจิตมันไม่พอใจสินห้าเพราะนาคา ม, มีเป็นพรหมจรรย์แต่นาคา ม, มีแปลว่าผู้ไม่ครองเรือนคือไม่มีคู่ครองถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วความรู้สึกในระหว่างเพศมันไม่มี ความโกรธจริงๆไม่มีในพระอนาคามีจิตเป็นสุขมีรมเยือเย็นอันนี้สบายมากสุขเกินเกินต่อมา ก, ก็ตักกวาดผงลกใจได้อรูปรคาคะคือความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานแล้วก็อรูปรคาคะคือความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูปฌาน นีความจริงไม่หนักก็จะหลงทำไมระวังนิพพานรูปฌานแล้วรูปฌานทรงเราเราไปถึงพรมเท่านั้นเราก็ดันดนอดทนใช้ปัญญาความจริงแค่นาคมีเขาก็ไปหลงแล้วท่านวางไว้ก็ลูกไปตามท่านไม่พูดมากต่อไปก็ตัดมาณะการถือตัวถือตน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 สัตว์มันไม่เคยไปโกงใครไม่เคยไปโกงทรัพย์สินของใครไม่เคยไปแย่งความแลกความรักวก็ไปอิสรภาพสัตว์ไม่มีการลบโมโตสันเท่าเราพวกเราระยำ ม, มากกว่ามองดูจะ่าไถือตัวเราดีกว่าสัตว์คนก็ดีสัตว์ก็ดีมีท่าสีเหมือนกันร่างกายสุขบลงเหมือนกันสุดซ้อเหมือนกันพังเหมือนกัน ก็เลยไม่มีอะไรที่เราจะต้องเยียดยามกันแค่นี้คิดเบาๆสวนลอีย ก, กว่านี้ไม่จะเกิดไปเองบัญญาหลังจากนั้นก็ตัดอุเทจะคืออารมณ์พงสานตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วใจตรงนิพพานวัฒฏายนาคามีแล้วไม่มีอะไรหนัก วังหลังจากนั้นก็ตัดวิชาเกี่ยความโงค่คือหลงในรูปเลยหลงในมนุษย์สโลถทวโลกหรือพม่โลกมัน ก, ก็ไม่มีอะไรขนาดนี้แล้วไม่ต้องอธิบายกันจนกระทั่งกัต ก, การะกำลังใจมีความสุขมีความสุขการป่วยไข้ไม่สบายร่างกายป่วยไข้ไม่สบายใจก็มีความสุข กระทบกระทั่งที่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจขนาดไหนใจก็ยังมีความสุขความแก่เข้ามาครอบงําขนาดไหนใจเราก็มีความสุขมันจะตายเมื่อไรใจก็ยังมีความสุขนี่คือ อ, ร อ, อารมณ์พระอรหันทรังยชน์สาประการนี้ต้องใครค่ควรษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังยศสามราการต้องทําให้ได้ ตอนนี้การที่เราจะปฏิบัติแก้ได้ดีจริงๆอย่าลืมบารมีสิวันนี้ก็จะมาย่ําบารมีกันเอาเอาเราล่อไมโครโฟนขึ้นขึ้นแล้วยําบารมีกันว่าบารมีนี่มีสิบท่องจําให้ได้ถ้าสัญญาสิบรายการอย่างละไม่ได้หมดเรายังไม่ใช่คนดีจําให้ดีนะจะเป็นนั่งเมากันนะอย่านึกวผมไม่รู้นะ เพราะน่ะเมากําลังใจกันนะจะนึกว่าผมไม่รู้เพราะอะไรเพราะผมเคยเมามาก่อนกําลังใจที่ยังมีอุปาทานยังมีนิวรณ์เขากินนะไม่ใช่กําลังใจดีหรอกแต่ว่าเราก็พอใจที่มันตัดเลวลงไปได้เยอะแล้วก็ต้องพยายามตัดเลวต่อไป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 ที่ไม่มีเชื้อดับทั้งยิเลสดับทั้งขันอารมณ์เมื่อกร่างกายจุดตร ม, มานไม่มีสำหรับเรานั่นดีมากคือไปพระนิพพานต่อไปสิ่งที่จะส่งเสริมความดีทำให้สยโยติบริการครบทวนทุกคนต้องทบทวนให้ดีนะทุกวันจะได้สงต้องทงอารมณ์แบบนี้ ไม่อย่างนั้นคิดที่คิดว่าทําดีทําดีแต่มันยังไม่ดีหรอกก็คือได้วการบารมีสิบอย่าลืมว่าใครก็ถามว่าบารมีแปลว่าอย่างไงก็ต้องตอบเขาว่าที่นี่บารมีแปลว่ากําลังใจเต็มเขาบอกว่าตามภาษาตําราบอกแค่เต็มยิ่งใจมันก็ช่างอะไร ตำรานั่นมันตำราวัดอื่นไม่ใช่ตำราวัดท่าสงปัจจุบันวัดท่าสงก่อนเขาจะเขียนตำราแบบไหนช่างเขาปัจจุบันในเขียนตำราว่าบรารมีแปลว่ากำลังใจเต็มกำลังใจเต็มในการให้กำลังใจเต็มในการรักษาศีลกำลังใจเต็มในสภาวะแห่งการถือบทคืนในขมะ กำลังใจเตรียมพร้อมในการใช้ปัญญาเข้าตัดกิเลสตอดรปาทานกำลังใจเต็มพร้อมที่มีวิทยาศาสหรความภาคเปลี่ยนต่อสู้ปสรคทุกด้านงานการทุกอย่างไม่ท้อถอยเห็นงานเป็นกรรมฐานกำลังใจเตรียมด้วยความอดทนคือขันติอย่าป้อแปรนะ ที่นี่ก็ไม่ต้องการคนพ่อแปดพ้อแปดไปที่อื่นถ้าบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปที่อื่นท่าเลยกำลังใจเตรียมในการอาสาสัจะอารมณ์ใจที่จริงกำลังใจเตรียมในการอิทานตั้งใจไว้เฉพาะว่าเพือ่อนิพันธ์กำลังใจเตรียมในการด้านการเมตตาไอ้ตัวเมตตาเนี่ยสำคัญ เมตตานี้หน้ามันต้องสดชื่นนะไอ ห, หน้าตรงเป็นตูดหมาหน้าบูดอย่างนี้เขาไม่มีเมตตาไม่เรียกเมตตาให้คนอื่นเขาเห็นหน้าแล้วมีความยิ้มมีจันทร์ความชื่นใจไม่ เ, เห็นหน้าแล้วรู้สึกว่าไ้ตัวจังไรนี่หน้าบูดมันก็น่าน้องหนาตูดหมาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ แล้วก็กำลังใจเตรียมโนเบลเขาเบคข า, ค, าความเยาวางเฉินนี่มาเฉยเฉยธรรมดาได้เฉยไม่สองอย่างคือเฉยธรรมดากับเฉยในขันห้ารโรความว่าสิบรายการนี้ก็ต้องครบนะทุกวันต้องคิดหนึ่งทานการให้สองสศิลเนื้อสากายวาจาและใจให้เรียบร้อย สามเน่ขรรมะการระงับติวรเป็นขั้นตน้นเนื่อสี่ปัญญาพิจณาเห็นว่าทุกคนฝัดทุกคนสัตทุกเพศเป็นไม่เป็นเรื่องพังหมดวิริยะบากบวิริยะมีความเพียรบากบันต่อสูอ้ตัวศักด์ขันติมีความอดทนต่อการด้วยประการทงปวงสัจจะทรงไว้ซึ่งความจริง จริงใจไม่ต่อยหลังที่ฐานตั้งใจไว้ตรงแน่อุมเบสเมตตามีความเมตตาประณีจิตใจชื่นบานใจชื่นบานกายมันดีหน้ามันชื่นด้วยไม่ใช่ท่านหน้าตูมมาตูดหมาแล้วเบขาวางเฉยสองขั้นนิจว่านิจว่าแ ต, แต่ขั้นไปเลยนะจำไม่เลยว่าสิบรายการนี้ต้องครบพ้นกําลังใจทุกวินาที สิบรายการนี้สร้างให้เต็มขึ้นมาสิบรายการก่อนคือสกายยะทิฏฐิวิจิเกช้าศีลปตะปรมาตุกามฉันทาเบรคะรูราคาอรูราคามณะอุตจอวิชัยสิบรายการต้นตัดให้พี่นาาไปแล้วก็สิบรการหลัง ได้กระทันศิลเนมะปัญญาวิทยาคติสัจีิฐานเมตตาเมขาทาให้ส่งตัวให้เต็มที่เป็นนั้นว่าขับสไล่ส่งไปสิบและดึงขมาอีสิบวันนี้ก็มีเวลาเหลือสิหนาทีจะอธิบายตามขั้นสำหรับธานบรมีทำยังไงมันถึงจะเต็ม การทำทานให้เต็มนี่ก็อขอพูดย่อๆคือว่าข้าศนี้ต่อไปก็อย่าวนมาวนไปในเวลาเที่ยงวันไม่ต้องเปิดอะไรกนวนก็อยู่แค่นี้สังโยติบา ร, รมีสิบอุทุมบรีกาสดวนก็อยู่แค่นี้ไม่ต้องอะไรมาพูดกันมากแต่แค่นี้ทำไม่ได้จะไปฟังอย่างอื่นให้มันเสียเวลาสำหรับทาราบรมี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 ถ้าไปที่ไหนมีคนเกลียดมากที่นั่นแล้วก็มีความทุกข์ต้องระวังภัยแต่นี้ทำยังไงทานยิงเยีเ่มครบถ้วนบริบูรณ์เอาพูดใน่ฟังง่ายงเมืว่าเดี๋ยวจยสงสัยว่าทานไปนเหตุใดเกิดความารักยังไงได้เหตุผลสันส้นๆเอาตัวเราเป็นสำคัญสมมติเราหิวข้าวมาจะตาย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 เราก็ควรจะไปอยู่โรงพยาบาลบ้าได้แล้วแต่คนดีแนละ้วไม่มีใครคุกคีคนรู้ให้มีจะเขารักคนรู้ให้แต่ถ้าให้อย่างไม่มีพันธะถ้าให้อย่างมีพันธะเราอา จ, จเกลียดคู้ให้ก็ได้กินอิ่มเดียวบังคับให้ไปิก่าควายให้ไปิ่างวเ ข, าเข้าเบิ่าสัตว์เบิดา่าคนโน้นไปนตีคนนี้ไปขโมยคนนั้น ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะรักผู้ให้ให้แล้วก็แนะนำเราให้มีความทุกข์คือทาลายความดีสร้างความเดือดร้อนไม่ควรรักตอนนี้ถ้าเขาให้ไดยไม่มีพันธะใไไดๆให้เพื่อกินเพื่อยังชีวิตให้ทรงอยู่เราก็ต้องรักที่พูดนีไม่ได้บังคับให้รักนะ ปกติคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาต้องรักแต่คนไม่รักคืออักตัญยูไม่รู้คนคนมันก็มีหาไม่ยากเวลานี้มีเด่นคนที่เลวกว่าสัตว์เนี่ยขอพูดไง่ายๆว่าคนที่เลวกว่าสุนัขเนี่ยหาไม่ามยากนี่เราพูดก็เราในสำนักของเรา คนอื่นฟังก็ฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็จงอย่าฟังไม่ได้บังคับคนฟังไอ้คนดีเลวกว่าสุ น, นัขไปเคยผมเนี่ยเคยสัมผัสมามากให้ความสุขทุกอย่างให้ความดีทุกอย่างเกื้อกูลทุกอย่างแต่ว่าจะคนพวกนี้ก็เต็มไปด้วยความอากตันอยู่ไม่รู้คน แถมไม่ใช่อากาศไม่รู้คุณเฉมมันทำลายเสะด้วยด้วยการทั้งปวงหาทางทุกอย่างเปนลมลังฮับินัตัวคนเดียวไม่พอยังยกพวกมาไปจ้างพวกก็ไปจ้างนั่งซื้อนาะหาดา่าทั้ก็ไม่มีหาทางฟ้องร้องก็เยอะเนี่ยไอคนที่มาเร็วๆกับสุนักผู้ภาษาไทยดีไหม สุนักนี่ครับแปลว่าเล็บงามแต่ว่าสัตว์ที่มีเล็บงามแต่ว่าภาษาไทยคูดหมาว่าคนที่เลวกว่าหมานี่พอหาได้แล้วก็หาไม่ยากด้วยมีถมไปจะนั้นการให้ทานขามบรรดาพวกเราเราทั้งหลายจงอย่าหวังผลตอบแทน ในการให้ทานเพื่อหวังให้บรารมีเต็มด้วยการตัดโลภะเขาทำยังไงเป็นมิตีทำให้ง่ายถ้าเราให้แต่ทานเฉยๆเนี่ยมันไม่มีผลผลมันน้อยต้องต้องให้ด้วยกำลังใจด้วยกำลังใจที่เราจะพึงให้นั่นคือว่าเอาทำอย่างนี้ ปกติก็เราให้นั่งพิจารณาหาความเป็นจริงว่าทานเนี่ยเป็นบัใจจัยให้บ่กเกิดความรักเราบ่จะเจริร่มว่าสร้างศัตรูถ้าทานเป็นบัตปันบัตใจให้บ่เกิดเป็นความรักเราก็พยายามให้ทานวิธีให้ทานที่มีกําลังตัดความโลภจริงๆก็คือใช้จารานุตติกรรมฐานประจําใจ จะขานุตติกรรมฐานนั้นได้แก่อารมณ์คิดจะให้คิดว่าคนก็ดีใส์สก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนรักสุขเกลียดทุก์แต่ว่าบางทีไอ้ความทุกข์มันเข้ามาบีบคั้นทั้ง ท, ง ท, งท่ไม่ต้องการมันด้วยความจำเป็นแล้คิดว่าถ้าเขามีทุกข์เราจะสงเคราะห์ คิดว่ายัางงี้เสมอว่าถ้าเราไม่เกินวิสัยในการให้ทานนะต้องให้พอเหมาะนะอย่าให้เกินพอดีแล้วก็ให้ก็ดูคนไม่ใช่ใครก็ให้ด่ต้องดูพระพุทธเจ้าที่เทรงจัดในเรื่องของในในเรื่องของวนาวิสาขาว่าเขาให้เราจรึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้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 ผมลองมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในเวลานี้ยังตั้งตัวไม่ได้พราอใจว่าอาเสว่านาจะพาลานางปันิตานางจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตมังคราวตามังการครบคนชั่วเป็นอัปมงคลการไม่คบคนชั่วอย่างหนึ่งการครบแต่คนดีอย่างหนึ่ง การบูชาเดบุคคลที่คนบูชาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอุดมมงคลฉะนั้นผมจึงขอตักไปเลยพื่อทำมาทักยี่สิบปีกว่าคนทุกประเภทผมครบสงเคราะห์ผมหมดเงินหมดทองไปนับไม่ได้ญาติโยมทำบุญมาก็สงเคราะห์โดยการทั้งพวงบันทีเราไม่มีเราก็กลบจะไม่มีกินให้เขา แต่ว่าคนที่เลวกว่าสุ น, นัขคือเลวกว่าหมานี่ไม่เคยมองเลยในเมื่อเรามีทุกข์เพราะว่าเขามีสันดานชั่วเป็น่านฉะนั้นเราก็ควรจะเชื่อองค์สมเด็จพระจิตมารมว่าการให้นี่ต้องเลือกถ้าจะรับหรือมาบังคับในการขอไม่มีความเคารพในการขอเราจะยังไม่ให้ ทำใจเฉยๆจงอย่าไปเมตตาคนชั่วเมตตาจิตมีได้แต่ว่าเราจะให้คนชั่วไม่เพื่อเขายังชั่วหนึ่งอยู่เราไม่ให้แต่คืนให้เราจะมีแต่ความเดือดร้อน <c oughs> อันนี้มาพูดกันถึงทานบารมีการให้ทานนี้ต้องประกอบด้วยความดีหลายประการเวลาสองนาทีมันจะพอหรือเปล่าันี่ยขยเสียงมันเป็น สเตีโลโเดียฟังข้างอ น, นชัดมังยชัดมัง่งการที่เราจะให้ทานได้ก็คือหนึ่งอันดับแรกเราต้องมีจิตเมตตาก็ต้องมีเมตตาบา ร, รมีเข้ามาผสมสองเราก็ต้องมีปัญญาเข้าพิจริญนาว่าการให้ทานเนี่ยมันดีกจะเป็นปัจจัยเกิดความรักใช่ไหม ได้การให้ทานก็ต้องมีวิริยะอดทนเพราะของทรัพย์สมบัติทเราหามาได้ยากเอาตัดใจให้นะไปมีความเพียรตักกาลังใจตัดเป็นเฉลยยะจะให้ทานได้ต้องมีคุนคติคืออดทนต่ออารมณ์ที่มันจะหวงแหนการจะให้ทานได้ก็ต้องมีสัจจะตั้งใจว่าจะให้เราให้จริงการให้ทานก็ต้องมีอธิษฐาน อารมณ์ไี่ส่งไว้แต่กาลังความเบบว่าฉันจะให้ทานเค้าตั้งใจวินานมีคนที่ให้ทานก็เป็นคนมีศีลสิลคี่ความดีศีลไม่มีได้เพราะเมตตาเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องถ้าเราไม่มีศีลเป่คนใจร้ายโหดร้ายเป็นคนชอบรักกโบนมันให้ไม่ได้หรอก คนนียให้ทานจริงๆอย่างน้อยต้องมีสิงข้อหนึ่งมีอารมณ์เมตตาแล้วก็มีสิงข้อที่สองคือละจากอธินาทานใจจริงอยาให้ทานได้การให้ทานได้ต้องมีเนคขมะคือเวลาที่เราจยใ่้ทานอารมณ์รักในระหว่างเพศมันก็ไม่มีอารมณ์โกรธก็ไม่มีถ้ารักเราโกรธเราให้ทานไม่ได้ อริ น, นการนิทานจริงๆเราต้องมีเบกขาเอาไปแล้วเราก็เฉยไม่เสด็จในมันมีน่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้ทานอยาน่างเดียวบารมีทั้งสิบระการครบถ้นเป็นเพราว่าข้าบวนความที่เราจะสร้างความดีเมืถ้าสร้างเป็นการสร้างบารมีมันสร้างทีเดียวพร้อมกันเราความดีทั้งสิบรายการนี้ต้องทําให้ได้ทุกวันประจําใจอยู่นะพระนิทุกโอ์ อย่าไปหลงนีหลอกๆนั่นหมดเวลาหมดสลาหนี่สำหรับวันนี้ข็ขุดโยขอยุติอ่าตเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี